ชูชกทูลว่าข้าแต่พระราชบุตรขอพระองค์ทรงฟั ง, ฟงข้าพระองค์ข้าพระองค์กลัวต่อการที่จะถูกหาว่าชกชิงเอาไปพระเจ้าสัญชัยมหาราชจะลงพระราชอาญาแก่ข้าพระองค์คือจะพึงทรงขายหรือพึงประหารชีวิตข้าพระองค์จะขาดทั้งทรัพย์ทั้งทาตและจะพึงถูกนางพรมามณี ผู้มีเผ่าพันธุ์พรมติเตียนได้บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าฉกชิงเอาไปอัดเฉทนสะได้แก่ต่อข้อหาชิงกุมารกุมารีแล้วจับข้อว่าจะลงพระราชอาญาข้าพระองค์ราชาันดายะมังทัตชาความว่าพระเจ้าสัญชยัยพึงพระราชทานข่าพระองค์ แกอมาดทั้งหลายเพื่อลงราชทันด้วยข้อหาอย่างนี้ว่าพรามคนนี้เป็นโจรลักเด็กจงลงราชทันแก่มันคำว่าและจะพึงถูกนางพรามณีผู้เป็นเผาพันพรามติเตียนได้คาเรหัสสะพรมะพันทุยาความว่าและข้าพระองค์จะพึงถูกนางอมิตตาปนาพรามณีติเตียน พระเวสสันดรตรัสว่าพระมหาราชทรงสถิตยอยู่ในธรรมทรงพดุงสีพีรัฐให้เจริญได้ทอดพระเนตรเห็นพระกุมารกุมารีนี้ผู้มีเสียงไพเราะกล่าววาจาน่ารักได้พระปีติโสมนัสแล้วจับพระราชทานทรัพย์แก่ท่านเป็นอันมากชูชกทูลว่า พระองค์ทรงพร่ำสอนข้าพระองค์ถึงสิ่งใดๆข้าพระองค์จักทาสิ่งนั้นๆไม่ได้ข้าพระองค์จักนำสองพระกุมารไปเป็นทาสรับใช้ของนางพรมามณีบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าสองพระกุมารทาระเกวะความว่าข้าพระองค์ไม่ต้องการทรัพย์อย่างอื่นข้าพระองค์จักนำสองทารกนี้ ไปให้บำเรนางพรามณีของข้าพระองค์พระชาลีราชกุมารและพระกันหาชินาราชกุมารีได้สดับพรุสวาจานั้นของชูชกก็เกรงกลัวพากันเสด็จไปหลังบนนารรณศาลาแล้วหนีไปจากที่แม้นั้นซ่อนองค์ที่ชัดพุ่งไม้ทอดพระเนตรเห็นพระองค์เหมือนถูกชูชกมาจับไปแม้ในที่นั้น รงสัน ง, งันงกอยู่เมื่อไม่สามารถจะดำรงอยู่ณที่ไรๆก็วิ่งไปข้างโน้นข้างนี้เลยเสด็จไปจนถึงสะโบกครณีสี่เหลี่ยมทรงนุ่งผ้าเปลือกไม้มั่นตกพระไทยกลัวลงสู่น้ำเอาใบบัววางไว้บนพระเศียรประทับยืนซ่อนอยู่ในน้ำ พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าลำดับนั้นพระกุมารทั้งสองคือพระชาลีและพระกัญหาชินาได้สดับคําของชูชกผู้หยาดช้าตกพระไทยกลัวจึงพากันเสด็จวิ่งหนีไปจากที่นั้นๆฝ่ายชูชกไม่เห็นสองกุมารจึงพูดรุกรานพระโพธิสัตว์ว่าข้าแต่พระเวสสันดรผู้เจริญ พระองค์ประทานกุมา ร, ก, มารกุมารีแก่ข้าพระองค์บัดนี้ครั้นข้าพระองค์ทูลว่าข้าพระองค์จักไม่ไปเชตุดรราชธานีจากนํากุมา ร, ก, มารกุมารีไปให้บํำเรออมิตรตาปนาพรามณีของข้าพระองค์พระองค์ก็ให้สัญญาโบกไม้โบกมือให้พระโอรสพระธิดาหนีไปเสียแล้วนั่งทําเป็นไม่รู้ คนพูดมูสาเช่นพระองค์เห็นจะไม่มีในโลกฝ่ายพระมหาสัตย์ได้ทรงสดับดังนั้นก็ทรงวันพระไทยทรงดำริว่าเด็กทั้งสองจากหนีไปจึงรับสั่งว่าแน่พรามท่านอย่าได้คิดเลยเราจะนำตัวมาทั้งสองคนตรัสนั้นแล้วสเสด็จลุกขึ้นไปหลังบรณารณศาลา ก็ทรงทราบว่าพระโอรสพระธิดาเข้าไปสู่ป่าชัดจึงเสด็จไปสู่ฝั่งสะโบโครณีตามรอยพระบาทของสองกุมารกุมารีนั้นทอดพระเนตรเห็นรอยพระบาทลงสู่น้ําก็ทรงทราบว่าพระโอรสและพระธิดาจักลงไปยืนอยู่ในน้ําจึงตรัสเรียกว่าข้อชาลีแล้วตรัสคาถาว่า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 พระชาลีราชกุมารได้ทรงสดับพระดํารัสของพระราชบิดาจึงทรงคิดว่าตาพรามนี้จงทําเราตามใจชอบเถิดเราจะไม่กล่าวคําค้านกับพระราชบิดาจึงโผพระเศียรแวกใบบัวออกเสด็จขึ้นจากน้ำหมอบแทบพระบาทเบื้องขวาของพระมหาสัตว์กอดข้อพระบาทไว้มั่นทรงกันแสงลําดับนั้น พระมหาสัตย์จึงตรัสถามพระชาลีว่าแน่พ่อน้องหญิงของเจ้าไปไหนพระชาลีทูลสนองว่าข้าแต่พระราชบิดาธรรมดาว่าสัตว์ทั้งหลายเมื่อภัยเกิดขึ้นก็ย่อมรักษาตัวทีเดียวลำดับนั้นพระมหาสัตย์ก็ทรงทราบว่าลูกทั้งสองของเราจักนัดหมายกันจึงตรัสเรียกว่า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 ข้อจกข้ามซึ่งฝั่งคือชาติจกช่วยสัตว์วโลกพร้อมทั้งถวยเทพให้ข้ามด้วยพระกันหาชินาราชกุมารีได้ทรงสดับพระดำรัสของพระราชบิดาแล้วทรงคิดว่าเราจะไม่กล่าวคำค้านกับพระราชบิดาจึงเสด็จขึ้นจากน้ำเหมือนกันมอบแทบพระบาทเปื้องซ้ายแห่งพระมหาสัตว์กอดข้อพระบาทไว้มั่น ทรงกันแสงพระอัษุชนของสองพระกุมารกุมารีตกลงหลังพระบาทซึ่งมีพันดุดดอกปทุมบานแห่งพระมหาสัตว์พระอัษุชนของพระมหาสัตว์ก็ตกลงบนพระปริสดางซึ่งเช่นกับแผ่นทองคำของสองพระกุมารกุมารีครั้งนั้นพระมหาสัตว์ถึงความกวัดแกว่งราวกับว่ามีพระไทยหดหู ทรงรูปพระปริศดางแห่งพระราชกุมารกุมารีด้วยฝ่าพระหัตอันอ่อนนุ่มประคองสองพระราชกุมารกุมารีให้ลุกขึ้นปรอบโยนแล้วตรัสว่าแน่พ่อชาลีเจ้าไม่รู้ว่าพ่อวิตกถึงทานบา ร, รมีของพ่อดอกหรือเจ้าจงทําอัธยาศัยของพ่อให้ถึงที่สุดตรัตชนีแล้วประทับยืนกําหนดราคาราชบุตร ราชบุตรีในที่นั้นดุดนายโคบาลตีราคาโคฉะนั้นได้ยินว่าพระมหาสัตว์ตรัสเรียกพระโอรสมาตรัสว่าแน่พ่อชาลีถ้าเจ้าใครเพื่อจะเป็นไทยเจ้าควรให้ทองคําพันลิ่มแก่พรามชูชกจึงเป็นไทยได้ก็น้องน้อยของเจ้าเป็นผู้ทรงอุดมรูปใครๆชาติต่ำ พึงให้ทรัพย์เล็กน้อยแก่พราหมณ์ทำน้องน้อยของเจ้าให้เป็นไทยพึงทำความเสียหายแก่ชาติกำเนิดได้ยกเสียแต่พระราชาใครจะให้สิ่งทั้งปวงอย่างละร้อยย่อมไม่มีเพราะเหตุนั้นน้องน้อยของเจ้ายากจะเป็นไทยพึงให้สิ่งทั้งปวงอย่างละร้อยอย่างนี้คือทาสีทาตช้างมะโค อย่างละร้อยและทองคำร้อยลิ่มแก่ชูชกแล้วจงเป็นไทเถิดพระเวสสันดรโพธิสัตว์ทรงกำหนดราคาพระราชกุมารกุมารีอย่างนี้แล้วทรงปลอบโยนแล้วเสด็จไปสู่อาสมจับพระเต้าน้ำเรียกชูชกมาตรัสว่าพรามผู้เจริญจงมานี่แล้วทรงหลังน้ำลงในมือชูชก ทำให้เนื่องด้วยพระสัพพัญยุตยานตรัสว่าพราหมณ์ผู้เจริญพระสัพพัญยุตยานย่อมเป็นที่รักยิ่งกว่าบุตรและบุตรีผู้เป็นที่รักกว่าร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าเมื่อจะทรงยังปัตตภีให้บรรลือลั่นได้พระราชทานปิยบุตรทานแก่พราหมณ์ชิชกพระาศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่า ลำดับนั้นพระเวสสันดรผู้พดุงสีพีรัตให้เจริญทรงพาพระกุมารทั้งสองคือพระชาลีและพระกัญหาชินามาพระราชทานให้เป็นปุตตะทานแก่พรามลำดับนั้นพระเวสสันดรผู้พดุงรีพีรัตให้เจริญทรงพาพระกุมารทั้งสองคือพระชาลีและพระกัญหาชินามาพระราชทานให้แก่พราม มีพระหารุไทัยชื่นบานในปุตตะทานอันอุดมในครั้งนั้นเมื่อพระเวสสันดรราชฤาษีพระราชทานพระกุมารทั้งสองก็บังเกิดมีความบันลือลั่นหน้าสะพรึงกลัวขนพองสยองกล้าวเมธนีโดนก้อวันไหวพระเวสสันดรเจ้าผู้ผดุงสีพีรัฐให้เจริญทรงประคองอัญชลี พระราชทานสองพระกุมารผู้เจริญด้วยความสุขให้เป็นทานแก่พรามก็บังเกิดมีความบัลลือลั่นน่าสะพรึงกลัวขนพองสยองกล้าวบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ามีพระหริทัยชื่นบานจิตโตได้แก่ทรงเกิดพระปีติโสมนัสข้อว่าในครั้งนั้น ก็บังเกิดมีความบัลลือลั่นน่าสะพรึงกลัวตทาสิยังพิงสนะกังความว่าในการนั้นแผ่นดินใหญ่นาสองแสนสี่มื่นยออึกระทึกกึกก้องคำรามลั่นสั่นสะเทือนเหมือนช้างพลายตกมันด้วยเดชแห่งทานบา ร, รมีในการนั้นสาคอก็กระเพื่อมสิเนรุราชบันพศ ก็น้อมยอดลงไปทางเขาวงกฎตั้งอยู่คล้ายนอไวที่ต้มให้สุกดีแล้วเท้าสักกะเทวราชทรงปรบพระหัตมหาพรหมได้ประทานสาธุการเทวดาทั้งหมดก็ได้ให้สาธุการได้เกิดกลาหนเป็นอันเดียวกันจนถึงพรห ม, มโลกฟ้าคำรามพร้อมกับเสียงปัตพีให้ฝนตกลงชั่วขณะ สายฟ้าแลบในสมัยมิใช่การสัตจตุบาทมีราชสีเป็นต้นที่อยู่ในหิมมวันตระประเทศได้บรรลือเสียงเป็นอันเดียวกันทั่วหิมมวันอัศจรัน์อันน่าสะพึงกลัวได้มีเห็นปานชนีแต่ในบาลีท่านกล่าวเพียงว่าเมธนีดนก็หวั่นไหวเท่านั้นเองคำว่ายังแปลว่าในการใด คำว่าสองพระกุมารผู้เจริญด้วยความสุขกุมารเรสุขวัตชิเตความว่าได้พระราชทานพระกุมารกุมารีที่เจริญอยู่ในความสุขคืออยู่ในความสุขเป็นเครื่องบริจาคให้ได้ความสุขคำว่าพระราชทานให้เป็นทานอทาทานังความว่าพรามผู้เจริญ พระสัพพัญยุตยานย่อมเป็นที่รักยิ่งกว่าบุตรบุตรีของเราโดยร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าดังนั้นจึงได้พระราชทานเพื่อประโยชน์แก่พระสัพพัญยุตยา น, นั้นพระมหาสัตรทร์ทรงบำเพ็ญปุตตะทานแล้วยังพระปีติให้เกิดขึ้นว่าโอเราได้ให้ทานดีแล้วหนอ แล้วประทับยืนทอดพระเนตรดูพระกุมารกุมารีฝ่ายชูชกเข้าไปสู่ชัดป่าเอาฟันกัดเถาวันถือมาผูกพระหัตต์เบื้องขวาแห่งพระชาลีกุมารรวมกันกับพระหัตต์เบื้องซ้ายแห่งพระกันหาชินากุมารีถือปลายเถาวันนั้นไว้โบยตีพาไป พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าลำดับนั้นพรามผู้หยาบช้านั้นเอาฟันกัดเถาวันให้ขาดแล้วเอามาผูกพระหัตพระกุมารทั้งสองชุดกระชากลากมาแต่นั้นพรามนั้นจับเถาวันถือไม้เท้าทุบตีพระกุมารทั้งสองนำไป เมื่อพระเวสสันดรสีพีราตกําลังทอดพระเนตรอยู่พระชวีของพระชาลีและพระกัญหาชินาแตกตรงที่ที่ถูกตีแล้วตีแล้วนั้นๆพระโลหิตหลั่งไหลพระชาลีและพระกัญหาชินาต่างเอาพระปิดแสดงเข้ารับไม้แทนกันละกันในเมื่อถูกตีลําดับนั้นชูชกพลาดล้มลงในสถานที่ขลกขระแห่งหนึ่ง เถาวันอันแข็งเคลื่อนหลุดจากพระหัตอันอ่อนนุ่มของพระกุมารกุมารีพระกุมารกุมารีทรงกันแสงหนีไปหาพระมหาสัตว์พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าลำดับนั้นสองพระกุมารพอหลุดพ้นจากพรามก็รีบวิ่งหนีไปพระเนตรทั้งสองนองไปด้วยพระอสุชน พระชาลีชะเงือมองดูพระบิดาทรงถวายบังคมพระยุคลบาทของพระบิดาพระวรกายสันระริกดังใบโพทรงถวายบังคมพระยุคลบาทพระบิดาแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระชนกนาศก็พระมารดาเสด็จออกไปป่าพระบิดาจะพระราชทานกระหม่อมชั้นทั้งสองข้าแต่พระชนกนาศ พระบิดาจักพระราชทานกระหม่อมชั้นทั้งสองก็ต่อเมื่อกระหม่อมชั้นทั้งสองได้เห็นพระมารดาข้าแต่พระชนกนาฏพระมารดาเสด็จออกไปป่าพระบิดาจักพระราชทานกระหม่อมชั้นทั้งสองข้าแต่พระชนกนาฏขอพระองค์ยาเพิ่งพระราชทานกล้าวกระหม่อมชั้นทั้งสองจนกว่าพระชนนีของกล้าวกระหม่อมชั้นจะเสด็จกลับมา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 ก็จะคร่ำครวญหาเหมือนลูกเนื้อที่ยังดื่มนมพลัดจากฝูงไม่เห็นแม่ก็จะร่ำให้คร่ำครวญฉะนั้นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าชเงเออมองดูอุทิกคสิความว่าไปสำนักพระมหาสัตว์วันไว้แลดูอยู่คำว่าสันร ร, ริกเวทังได้แก่สันรัวอยู่ข้อว่า ข้าแต่พระชนกนาถพระบิดาจักพระราชทานกระหม่อมชั้นทั้งสองตะวันจะโนตาตาทัศ ส, สิความว่าข้าแต่เสด็จพ่อพระองค์ได้พระราชทานหม่อมชั้นทั้งสองให้แก่พรามในเมื่อเสด็จแม่ยังไม่ได้กลับมาเลยขอเสด็จพ่ออย่าได้ทรงกระทําอย่างนี้เลยโปรดยับยั้งไว้ก่อนพระเจ้าข่า จนกว่าหม่อมฉันทั้งสองจะได้เห็นเสด็จแม่ต่อ น, นั้นพระองค์จึงค่อยพระราชทานในการที่หม่อมฉันทั้งสองได้เห็นเสด็จแม่แล้วพระเจ้าค่าข้อว่าจงขายหรือจงฆ่าวิ ก, กีนาตุพานาตุวาความว่าฆ่าแต่เสด็จพ่อในเวลาที่เสด็จแม่เสด็จมาพราหมณ์ชูชกนี้จงขาย หรือจงฆ่าหม่อมชั้นทั้งสองก็ตามหรือจงทําตามที่ปรารถนาเถิดอันหนึ่งพระชาลีราชกุมารได้กราบทูลบุรุษโทษ18ประการว่าพรามกักขระหยาบชานี้ประกอบด้วยบุรุษโทษ18ประการบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ามีเท้าคดทู่ตะแคงพลังกับปาโทได้แก่ตีนแบร คำว่าเล็บเน่าอัธนะโขได้แก่เล็บเน่าเหม็นคำว่าปลีน้องย้อยยานโอพัทธะปินดิโกได้แก่มีเนื้อปลีแข้งย่อนลงข้างล่างคำว่าริมฝีปากบนยาวทีโคตรโรคโ ถ, ถได้แก่ประกอบด้วยริมฝีปากบนยาวยื่นปิดปาก คำว่าน้ำลายไหล ย, ยืดจัปโลได้แก่มีน้ำลายไหลยเยิม้มคำว่าฟันยื่นออกเหมือนเขี้ยวหมูกาลาโรได้แก่ประกอบด้วยฟันยื่นออกเหมือนเขี้ยวหมูคำว่าจมูกหักฟุบพักคณาสะโกได้แก่ประกอบด้วยจมูกหักคือไม่เสมอกันคำว่าหนวดแดงโลหมัสุ ได้แก่มีหนวดมีสีเหมือนทองแดงคําว่าผมบางเหลืองภริตเกโสได้แก่มีผมสีเหมือนทองงอกหยิกคําว่าหนังย่นเป็นเกลียววะลีนังได้แก่หนังย่นเป็นเกลียวทั่วตัวคําว่าตัวต ก, กะติละกาหโตได้แก่เกลื่อนไปด้วยกระดำคําว่าตาเหลือง ปิงคโลได้แก่มีตาเหลือกเหลืองคือประกอบด้วยตาทั้งสองคล้ายตาแมวคําว่าคดวินโตได้แก่มีคดในที่สามแห่งคือเอวหลังคอคําว่าเดินดังกะตะกะตะวิกโตได้แก่มีเท้าลั่นท่านกล่าวว่ามีที่ต่อกระดูกมีเสียงก็มี คือประกอบด้วยข้อต่อกระดูกมีเสียงดังเพาะเพาะคำว่ายาวพระหาได้แก่ยาวคำว่าเป็นอมนุษย์อมนุษย์โสความว่าพรามนี้ไม่ใช่มนุษย์เป็นยักษ์ที่เที่ยวไปในป่าด้วยเพศของมนุษย์เป็นแน่นะเสด็จพ่อคำว่าน่ากลัวเหลือเกินพญานโกได้แก่น่ากลัวอย่างยิ่ง ข้อว่าเป็นมนุษย์หรือยักษ์มนุษย์โสอุทาหุยักษโขความว่าข้าแต่เสด็จพ่อถ้าใครๆเห็นพราหมณ์นี้แล้วถามก็ควรจะตอบว่ากินเนื้อและเลือดเป็นอาหารข้อว่าเมื่อขอทรัพย์คือบุตรกับพระองค์ท่านังตังตาตะยาจติความว่าข้าแต่เสด็จพ่อ ครามนี้ประสงค์จะกินเนื้อข้องหม่อมชั้นทั้งสองจึงทูลขอทรัพย์คือบุตรต่อพระองค์คำว่าทรงดูนิ่งเฉยอยู่ได้อุทิกขสิได้แก่วางเฉยอยู่ข้อว่าพระหฤรุไทยของพระชนกนาฏปานดังหินอสามาูนณเนะตหทยังความว่าข่าแต่เสด็จพ่อธรรมดามารดาบิดาทั้งหลาย ย่อมมีหัตถ ay อ่อนในบุตรทั้งหลายไม่ทนดูความทุกข์ของบุตรทั้งหลายอยู่ได้แต่พระอรุธไทยของพระองค์เห็นจะเหมือนแผ่นหินอีกอย่างหนึ่งพระหรุธไทยของพระองค์คงจะใช้เหล็กขูกไว้มั่นฉะนั้นเมื่อมอมฉันทั้งสองมีความทุกข์เกิดขึ้นเห็นปานชนี้เสด็จพ่อจึงไม่เดือดร้อนคําว่าไม่ทรงรู้สึก ณชานาสิความว่าพระองค์ประทับอยู่เหมือนไม่รู้สึกคำว่าร้ายกาจเหลือเกินอัจจายิเกณนะลุเทนะได้แก่ยาบช้าเหลือเกินคือเกินประมาณคำว่าพระองค์ลูกทั้งสองโยโนได้แก่พระองค์ไม่ทรงทราบหรือว่าม่อมชั้นสองพี่น้องถูกพรามผูกมัดไว้ คำว่าเคี่ยนตีสุมภิได้แก่โบยตีคำว่าจงอยู่ณที่นี้แหละอิเทวะอัจฉตังความว่าข้าแต่เสด็จพ่อน้องกันหาชนานี้ยังไม่รู้จักความทุกข์ยากอะไรอะไรเลยเมื่อไม่เห็นเสด็จแม่ก็จะ ก, กันแสงจักเหี่ยวแห้งสิ้นชนมชีพไปเหมือนลูกมรุกขีน้อย ที่ยังกินนมพรากจากฝูงเมื่อไม่เห็นแม่ย่อมร้องคร่ำครวญอยากกินนมฉะนั้นเพราะฉะนั้นขอพระองค์จงทรงประทานม่อมฉันเท่านั้นแก่พราม์ม่อมฉันจากไปขอให้น้องกันหาชินานี้อยู่ในที่นี่แหละ